เ น, นี่ยเป็นความสุกขของคนที่เดือก <S 2> <S 2> เป็นความทุกข์ทางโลกเป็นความทุกข์ชัดคนเดือดแต่ความทุกข์อันนี้เป็นความทุกข์ของคนที่จะดุบืนที่จะ้ไขตัวเองตะเยียบ ต, ตะกายตัวเองเพื่อให้ค้นจากที่เดียกของความทุกขทางในจิตใจเหมือนก็มีความต่างกันอยู่แล้วเราโยนโลกโลกสงสารมนความสะดวกสบายอยู่กับบ้านกับเือนกับความเป็นอยู่ ที่เราเคยต่งมาเอามาทำการจีบขวางแบบนี้ก็ไปไม่รอดนะพระพุทธเจ้าท่าไม่เห็นอะไรมาเป็นอารมณ์เป็นขนาดพระตั้งไม่ได้บบำเพัญเห็นอะไรมาเป็นมาสัมันธกความสบายความเป็นใหญ่เป็นรูปโต ร, รุธานาาัสสังถึงขั้ น, นพระเจ้ายเป็นโ็ลึาดผัดที้แ ก, ก, กไม่มีอะไรเลยมีแต่ความข้ามเบียด าตายทางการตั้งหราที่จะผ่านพ้นวิปะสะัสหน้าผ่านขึ้นภายในใจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลส น, นั้นไปได้เราจะเดินตามครูพุทธทางขณะฉันก็คือครูเองนะของเราเราต้องยึดเอาหลักของครูทันดีเราเป็นพระสิเครื่องดำเราถอย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้ ความทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์แต่ทุกข์อันหนึ่งทุกเฉยๆทุกไม่เกิดประโยชน์นี่ก็หมดทุกข์เพราความท่าเพียนนี่เป็นทุกข์ที่จะยังประโยชน์ไม่เกิดเึียงแต่ตนโดยระหนับทุกทุกประโยชน์ของความเพียนที่เกิดทุกข์นี้แต่ย่อที่จะต่อสอนเหตตาเสราะออกจากจิตใจของตนทุกแค่ไหนก็ทุกไปด้วยเรารู้อยู่ว่าเราทํางาน เราจะไปสนใจคำเรื่องโลกเรื่องสงครามมันแค่นั้นแหละโลกอย่างที่เราเห็นนี่แหละไม่เลยจากนั้นจะได้ไปวุ่นกันเราไปถามว่าที่ใครจะได้รับความสุขในแข่นดินนี้มันไม่มีนะมันตื่นลมคนนี้เฉยอคนนั้นจะเป็นสุขคนนี้จะเป็นสุขคนนั้นมีง่งเป็นคนมังง่งคั่งสมบูรณ์เป็นคนเรียนสําเร็จทั้นนั้นทั้น น, นี้เป็นคนมีวิทยาฐานะชั้สูง มีบ้านมีเรือนมีเยอะน้ะน่าสวนมีใบแตกบริวารมากมีอัฐิบัติมากแต่นั่งมีสุขมันเถอกันนี้เฉยมันตื่นเปนย้เฉยมันไม่ใช่ความจริงไปถามตัวคุนั่นแลวมันจะอาความสุขมาจากไหนมันกองวุ่นวายที่เราคือตามหรับครรมทน์ใจมันมีความสงบแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยถ้าจะอะไรมาโอ้มาอวดมันเอามาโอ้มาอวดเถอะ เพราะโลกนี้นเห็นกันอยู่ได้วยตาปิดบังกันได้ได้มันเห็นอยู่รู้อยู่เคยสัมผัดเคยกระจกเคยเห็นมาด้วยกันเล้วความสูกมาจากไหนความสูกนันแท้จริงมันอยู่กั บ, กบใจจริงๆนะมันเป็นเครื่องออ เ, เป็นเครื่องอาศัยหรือจิตจอาศัยเหล่านั้นเป็นเครื่องพื้นผิกระชั่วระยะหลงลมจะขอ ง, ของขแต่นั่นเราเรามีนั่นเรามีนี่แต่เรามีสูงหรือไม่ลืมตัวอีกตอนนั้นเพราะว่าเรามีนั่นเรามีนี่ก้าวห คำคำนั้ น, นันีเ้เป็นยศมันเป็นอำนาจาสนาแต่ตวอำนาจวาสนา่ถึงอาภัพจะตายอยู่ภายในใจนั่นแหละตัววาสานาจริงๆันนามภาพนอกาพความเดียอแหล่หรือเรามาปฏิบัติศาสานาคือเป็นนัก บ, บวชตั้งหน้าตั้งตามตบาบำรุงขาจิใจของน เรต้องมองดูเรื่องความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตนทั้งทางร่างกายและจิตใจมองดูความมุ่นหายยุ่งเหยินภายนอกเราดูรู้ทั่วถึงนันก็จะไม่ยิ่นรนโกลงกันไปถ้าหาสิ่งไม่เป็นสาระแก่สาระแล้วจะได้ทั้งหน้าตาประกอบความตั้งใจเพื่อชำ้ะสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์อยู่ภายในใจคือที่เดือดดัหาตัวนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะความสุขก็จะมีมน ไปเลยจริงหาใจมีความสงบเพราะสิ่ ง, องกออควรมสงบไปใจชอบในรับความสุข<ม>ความเป็นมามีความขยันหมันเพีย้ยนคุณนั้นจะอถอนถอนหมดได้สําองค์ธรรมะคํำสอนคำพูดของข้าวันนั้นไม่มีปัญหาอันใดคือจะทําให้สงสัยว่าตรงสั่งสอนไรผิดไม่มีท่างเกิดอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองอาจจะศาสนาผิด วตวคาถาธรรมตราไม่ชอบแล้วจะผิดที่ไหนถ้าผิดจะมาชอบแน่เดียวนะไปที่กุนังท่านอยู่ทำกรรมใจยังประกาศเจอิดรงประกาศส้ารธรรมั่จะทาถูกต้องดีนะใครละเพราะเพี้นทั้งบนต้นทำกลางไล้ที่สุดที่มุตพนิพานมันมีจุดใดบกต่องเลยไม้แต่น้ะยเรียงเ่าตัวาขาาธรรมตราไม่ชอบแล้วทีไม่ชอบมันก็อยู่กับคนมี้ิ่เลือเนี่ ความมีกิเลสไม่ได่ความชอบอยู่ภายในไม่ได้กระดิกพลิ้แแปลงไปเคลื่อนไหวไปไหนมันก็ไม่ชอบดอิในตัวของกิเลสมันอยู่ในใจมันก็ทําใจให้ไม่ชอบอยู่นั้นเนี่ยเพะงั้นจึงต้องหาอุบายวิธีพลิ้แแปลงอัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขความไม่ชอบนั้นให้ลดลงไปลดลงไปลดกําลังลงไปความชอบคือสติปัญญาสทัทธาความเพียรนั้นจะได้มีกําลังขึ้นมา ภายในนั้นกวามจัดตัดส่าวสินธนาเหล่านี้ออกนาได้โดยงดจนกระทั่งหมดไปโดยทิ่งเฉย น, นั่นจะเป็นความชอบแท้ทำก็อยู่ที่นั่นแหละจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วแยกกันไม่ออกแล้วไม่สงสัยธรรมไม่สงสัยมรรคผลนิพพานไม่สงสัยพระพุท ธ, ธเจ้าเพราะท่านจัดไว้แล้วในจุดที่ถูกต้องสถาคตก็อยู่ที่นั่นทำก็อยู่ที่นั่นดิมุขสุดค้นก็อยู่ที่นั่น ขอให้แก้กิเลสซึ่งอยู่ที่นั่นด้วยกันให้มันหมดไปเถิดอนเรื่องความเชื่อกิเลสจะอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันความเบาบางของกิเลสในขั้นเริ่มต้นการปฏิบัาาดดตใจใจบิก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงมิติสุดยอดแต่จะตใจที่บริสุทธิ์ก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละใ จ, จะ ท, ำทำี่ทําทํำคือใจดูในจิตที่เดียวกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มือนเป็นกาได้ตามหลักธรมรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันจริงเก้าโดยสมมุติตามหลักธรรมที่สอนสมมุติก็ต้องแยกหลากลพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงฆ์อันตรับได้ในจุดอรหังนัง้นแหละพุทโธธรมโมสังโฆจารนานาคนา่นจำปิวัติโตเก้าโดยภาวะพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงฆ์เป็นคนละอย่างก็จริง อัญญามัยังวิโยงาวะเจียปูตามปานัโตแต่ไม่สามารถที่แยกตัวในสมบัติ น, นั้นออกจากกันได้ถ้าเป็นทําเกีย่ยวเนื่องถึงกับเป็นอันเดียวกันเนีย่ยทรรแท้กันงก็ให้สนใจปฏิบัติตัวเถิดเราอย่ามองอะไรมากยิ่งกว่ามองและสังเกตความเคลื่อนไหวของสดสัมผัสเรื่องอะไรให้มีสติ หนูสัมผัสเสียงตาสัมผัสรูปจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรถกายสัมผัสสิ่งที่มาเกี่ยวข้องขอให้ทำความรู้สึกตัวอยู่ภายในตัวนี่ชื่อว่าผู้รักษาตัวแล้วจะทราบความผิดถูกของตัวและอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วหนักเบาเพียงไหนเราจะทราบถ้ามีสติ ถ้าไม่มีก็ติแล้วก็ให้พิเลียบเหยียบซ้ำจนตลอดเอลเปิดสุดท้ายก็พึงกระทังไม่มีเนื้อหนังติดอยู่เลยเยอะแต่กระดูกเท่านั้นนี่จะร่างพระกรรมฐานร่างพักร่างเองไม่มีร่างอาจร่างธรรมคือความาท่าเพียรและสติปัญญาอยู่ภายในใจิตใจพิเรียรบเกยียบซ้ำทำลายได้วันยังคำ้ำคืนยังรุ่งและตลอดไปแล้วเราจะมีคุณค่าที่ตรงไหน เมื่อบวชมาไม่ได้ตั้งใจแต่คิดปฏิบัติปธรรมให้สมกับเพศและความมุ่งหมายของคนที่ตั้งเอาไว้แต่ไม่ให้ความที่เกียดความที่คลานขยําย่ำเดียวเหมือนกับเศษเด่นของคนของพระของเนรเราจะหลังตุงค่ากับอะไรความหวังเวลานี้เราหวังอะไรเราต้องทราบความหวังของเราและปฏิบัติความหวังของเราที่เห็นว่าถูกต้องแล้วนั้น โดยทางความเขียนอย่า ก, กังวลกับเสิ่งใดบินธมาศในในบินธมาศในมากก็ให้มีต่างองค์ต่างไปดูจิตของตัวไปเรเยอยๆอย่ารุนละมัดตลอนทางการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้บินธมาศมีความหมายหลายด้านหลายอย่างหนึ่งก็เป็นความชอบธรรมในการทํำมาหากังที่เพื่อการความเียบครั้งของพระซึ่งเป็นผู้ทัซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง ของโลกสองเพื่อจะได้เปลี่ยนเอียบดในขณะเดียวกันก็เป็นการประกอบความเพียรในการเปลี่ยนงเองียบทคือการไปมาของการหนึ่งธรมะนั้นเดิมการรับมาก็ดูแต่ในบาตรเท่านั้นมีอะไรถูกมาใจบาตกับกองอุปถาอุปภังกองธาตุกองขันตัวของเราเองกับกองอุปถาอุปภังกองธาตุกองขัน งี้เนื้อหน้าิดแตกันเขากับเรามันก็เป็นก้อนธาก้อนขันอันเดียวกันเนื้ออาหารที่ตกลงในบาตก็เป็นก้อนพักุข้อนวัดถุนี่เวลามาฉันนี่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเตกอันในที่มาขัดข้องต่อหลักทำหลหกหัลกด้วยในลูกผิดทาคตไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงยากฉันนได้ทั้งนั้นเนี่ยเราฉันคอยังชีวิตให้เป็นไปคิดชนิดใดความคิดชนิดใด ที่เคยหลอกลวงเรามานานมีความขายักขยงให้มีตำหนิว่าอาหารนั่นดีอาหารไม่ดีชมมนั่นดีนี่ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของคนยีเลศเป็นเรื่องของคนลืมตัวเราอย่านำม า, าใ้พยายามกาจัดให้มันหมดไปเป็นความสะดวกสบายไม่กังวลเกกับวิจการการฉันอาหารในบาทก็เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้า สอนภาที่โงงเขาบาปัญญาใจะรู้ความละเอียดละออของอาหารที่ผสมกันอันั้นความโลภมันมากเฮ้ยมันก็ตื่นรถตื่นไม่มีวันหยุดยั้งใช่ไยมนะตื่นทุกวันทุกเวลาตื่นตั้งแต่วันเกิดจนกรทั่งถึงมันตายก็คือตื่นรถตื่นขีดนื่นเสียงนั่นตื่นรู้นั่นอันนี้ตื่นไม่มีวันเคยตื่นอยู่แล้วเนี่ยเวลาฉันก็ตื่นอาหารมันดีอาหารมันไม่ดี ฉันอยากสะดวกสบ า, ายต้นไส้า้นคว้าหวานเป็นเงินถ้วยหนึ่งค้าถ้วยหนึ่งแกงร้อนถ้วยนึ่งนำมาตั้งเห็นลายร่อข้ามันเป็นความสนุกสนานรื่นเรในการข่มขันมันก็ผป็นทางของพระพุทธเจ้าเลยซึ่งการฉันก็ให้เห็นโทษให้เห็นภัยให้เห็นขุดในการฉันสิ่งที่ควรจะเป็นขุนให้เห็นขุนสิ่งที่ควรจะเป็นโทษให้เห็นโทษ อาหารที่มาค้าเข้ า, ขากันแล้วเพื่อให้ในพิจารณาเมื่ออยู่ในด้วยในการเป็นอย่างหนึ่งเวลาค้าเข้ า, ขากันและเข้าไปแล้ว เ, เป็ น, นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอีกอย่างแล้วสรุปลงไปถึงธาตุสันของเรามีอยู่ในข้าของเรานี่อะไรมันมีหวานมีคาวไหมมันมีอันนี้สําหรับน้ำพริกนั้นสําหรับผักภาชนะนี้สําหรับหวานน้ำสาหรับคาวไหม มันไม่มีมันมีพงเดียวเท่านั้นเป็นวานเป็นข้าวอาหารชนิดใดก็ทานเมื่อเข้าไปดู ร, ร่างกายที่เป็นของปฏิกูลโส โ, โครกดีวามปกติทั้งตนแล้วย่อมจับเป็นสีโส โ, โครกโสโครกไปเรืยทันหมดการฉันนี้ก็รถมันก็มีอยู่คอยย้ำยิดให้เป็นไปทา่าไหร่แต่พิจารณาในคเนี้ไปอุบาจะเกิดในขณะฉันถ้ามาถามจนลืมเนื้อลืมตัวด้วยความเพลิดเพ กาได้เหตุได้ผลจากการฉันไปฉันแบบลุกได้ลุกลดฉันเป็นความคิดความโหยฉันไม่คิดชนะดูไม่ได้นำที่พูดให้คำต่างคุณเช้านีเพราะเราดูอยู่เสมอมันไม่น um yes. ่าดูเลยให้ตุดขัดเสี้ยงใหม่การฝึกฉันแบบที่เป็นมาแล้วใช่ไหมล่ะมองดูให้ตุดขัดตั้งแต่บัดนี้ต่อไปทุกประโยคแห่งการฉันมันจะไม่นานถ้าตั้งใจเหมือนเรามาบวชไม่หมด บวชมาเก่าหลายปีหลายเดือนแต่ข้าความขออพระลืมเนื้อลืมสัวเลยไม่ได้สำลัวทุกประโยคที่แสดงออกในการฉันมันไม่น่าดูเราดูมันมาอาหารชิ้นในที่ออกมาจำา้ำบ้านนุ่นเขายุบบ้านองจะพรากเขามองเห็นหมดแสดงว่าความยากขานไน่มีไม่ยากแห่งการฉันของพระไม่ท้ามันเป็นผู้มีระยะที่เป็นตัวอย่างดีที่สุดทําไมการฉันของเราจริงเร็วที่สุดมันเข้ากันได้ กับเรื่องของผักนั่นสิมีเป็นผักองไรก็มันอยู่ภายในบ้า่จะเก็บจะม้วนอะไรอยู่ก็อยู่ภายในบ้านถือออกมาหวัวโลกอระดับเป็นหวานแดงขาเป็นหวานแดงขาวก็มีอะไรหยิบอะไรก็อยู่ภายในบ้า น, นาาออกมาก็เดี๋ยวมันดูมันมาขายมันนี่สิยังความยับยั้งการแข่เพื่อความสวยงานาความเหมาะสม ค่ากรรมาฐานไมีมแล้วกรรมาฐานจะเอาความละเอียดออกจา ก, กในอาธรรมาจากที่ไหนมันไม่มีความละเอียดละออมันต้องไปจากนอกอยากละเอียดก็ค่อ ย, อยก็ทราบเป็นความละเอียดภายในละเอียดก็ทราบเป็นความละเอียดเข้าไปโดยลำหนันหน ก, กะนะฉันเลยฉันกุ้งกล้ามกุงกลางไม่ละมั่นระวังอะไรก่อแตกฉันเสียงดังๆเราก็ค่องค่อยๆบดค่อยเคีเ้ยว หลายครั้งนะผ ม, มค่อยปันมันอยากบ่วงความค่วงข้าม่งขามพัวงข้า ม, ม, า ม, า ม, ม, าามดูดูไม่ได้ทั้งไม่ถ่ายแบบมุมม า, า, ามาุมมาไม่ใช่ท่ากรรมฐานกรรมฐานต้ละเอียดออไม่ใช่ค่าหวนั่นแล้วพูดาหลักทั่วไปนั้วพระวินัยก็เป็นหลักทั่วไปนนฉันหนงมามาฉันล้อกความมีสติไม่นนดงดายเยแยแสดงอาการนี้ถ้าพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ให้ฉันด้วยความพิจารณาแล้ อย่าจดอย่าจ่ออย่าลูกนี้ลุกหลนกรว่าจะไม่ทำในล่ำในล า, ลาพ อ, ะนอนะตะโนนใส่ปุทนี้ส่ปุ๊บวิ่งเหมือนกับว่าจบวิ่งใส่หน้าไปดูไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่กีิดยาของใครใครเรียบง้อยที่สุดไหนแล้วก็ฉันคุูบาอาจารย์ฉันองค์ 1-2 องค์ผ่านไปแล้วใครอยู่ที่ไหนก็าฉันได้ไปหมดถ้าเมื่อพิจารณาพร้อมแล้วถ้ายังไม่พร้อมกับเร่องแต่และองค์องค์จะต้องพิจาโดยอยาให้แสดงอาการที่ชี้ตรง้ไม่น่า ทำข้าวของเราจากของเราที่จะเอาขึ้นจากขมือนี่คือเข้าใบหน้าทำไมมันจะต้องเปิดเผยให้คนเห็นทุกแี่ทุกมุมถ้าเรามีความยี่ยมผ่านแล้วจะเป็นความงามจากตั้งแต่ต้นมาจนก่าทั่งถึงปากเข้าในปากบกเคี้ยวจะเป็นความน่าดูไปไหมดถ้าสติมีที่ไหนสติมีอยู่ที่ไห น, ไหนปัญญามีอยู่ที่ใดความสวยงามของรับครอบ ความเหมาะสมจะมีอยู่ในที่นั้นนั้นงานนั้นนั้นทุกงานไปไม่ว่าการเดินการพูดการจา่าไนี่เป็นเรื่นนองสำคัญขอให้คิดให้ดีนะใคร น, นี่สอนทุกแง่ทุกมุมสอนบุญสอนธนศรสอนโนคำนิพพานสงสารสอนโนคำวิปริกวิจารเป็ น, นงวงเป็นยันเพราะต่อไปนี่จะไม่มีเหลือและกรรมฐานาหมดเข้ามาหมดเข้ามายึ่คาางครูบาาจารพูดถูกหนากขรบเรืองสาย่อแสวงธาลงไปโดยลำบาก เมื่ท่านได่ผ่านไปแล้วที่นี่จะมีหรือแล้วแต่อันนั้นน่ะหรืแล้วแต่อันพูดไม่ได้กันละเวลานี้มันเกินแล้วนะแม้แต่อยู่ด้วยกันมันก็เข้ากันไม่ได้แล้วมันเข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุนี้มันขาดผู้มุ่งผาดต่อทํำย่อมปฏิบัติถูกต้องดีงามกว่าผู้ไม่묵มุ่งอัดทําเข้มแข็งมากน้อยเท่าไรยิ่งแสดงความน่าดู ให้สังเกตเห็นถึงความอ่อนความทึ้งเคาความท้อถอยความเร็วของใจมีมากมายแย่หนจะแสดงออกมาทางใบหน้าการไปการอยู่การพูดการจาการขบการขันรูปติปทุกอย่างจาไม่น่าดูเลยน่ะตั้งแต่ความอ่อนนี้ให้มันขาดความดุริศภายในจิตใจเนี้ยมันก็ส่งไปข้างนอก ถ้าตรงข้างนอกแล้วก็ไม่มีที่จริงจังการมันจะกวนู่ตลอดเวลานินยมท้าให้กวนดูเฉยๆอยู่ไม่ได้มันชอบคนเราอย่างนั้นดีอย่างไม่ดีดีของมันแนะไม่ใช่ดีของธรรมธรรมะเปลือกนี่อันไหนมันเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมมันจะอยากจนอกจะแตกถ้ามันแตกจะเห็นเห็นได้ ถ้าเราสู้มันไม่ได้ทำนันแตกดูที่ดีดีกว่าที่มันให้เป็นไปตามเรื่องของทีพดรกษุนล่าไปจะสมเชื่อภูมิมาศึกษามาปฏิบัติใช้ความคิดนั่ปฏิบม า, าทัติปัญญาเป็นสําคัญเราอยากเข้าใจว่าถ้าสมาธิเราไม่มีเดินปัญญาไม่ได้ปัญญาเดินได้ทุกเุกการณ์ที่เราเจะ โดยนจะพิจารณาเวลาจะทําจิตให้สงบตั้งหน้าตั้งตาต่อธรรเพื่อความสงบทีตีทำบทใดที่เป็นไปเพื่อสรรมะฐาคือความสงบถ้าเราต้องการความสงบแล้วในขณะนั้นไม่ต้องสนใจกับการดาให้มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติต่อทําบทนั้นด้วยสติเดกระทั้งจิตสงบลงได้หรือเราจะพิจารณาในส่วนนั่งกายให้จิตท่องเชื่ออยู่บนในส่วนนั่งกายนี้ขึ้นลงไปรอด หน้าหลบหลังอยู่ตามนี้บางครั้งในทวองเจริญรู้ออสตินี่ก็เป็นความเพียรหรือเป็นสมถะถ้าเราไม่แยกออกไปเป็นความแยบขานกับเป็นอารมณ์ของสมถะในควองเจริญนี้เดี๋ยวมันกรสมได้อาจจะแยกวิญญาณปัญญาเราพิจารณาส่วนใดแยด่ใดแห่งร่างกายอันนี้ก็พิจารณาแยกแยะดูแยกแยะสิ่งนี้ชัดหรือสิ่งนั้นไม่ชัดไปหรือจะแยกแยะสิ่งนั้นให้ชัดด้วความสนใจคืถึงสติประจา งานต่างๆที่เรานั่นก็เป็นความแยกคลายเช่นหดียัปัญญานั่นแหละจะเป็นเครื่องถอดถอนที่เรียกทุกประเทศที่มีอยู่ภายในใจทั้งาที่เป็นทำที่ทําความสงบใจหนึ่งให้ใจมีกําลังสองให้ความรู้นี้ตะล่ามตัวเข้ามาเพื่อมีกาลังแรงถ้าเรานําไปช้ามันก็มีกําลังถ้าไม่ใช่จะเป็นเพียงสงบอีกนั้นที่เรียกตัวหนึ่งก็ตายไม่ไเพียงสงบตัวไปเท่านั้น ถ้าใช้ปัญญาแล้วมันหมดไปเรยือยๆหนัตายไปเรื่อยหมดไปเรื่อยๆดีผู้พูดตามความจริงได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้มาพูดโอ้อวดหน่เพื่อนเคยได้เล่าให้หน่เพื่อนฟังเสมอในฐานะที่เป็นผู้ศึกประจานองกัลยการกมีจุดดังนี้พู้ท่ลงสมาธิใครจะโกหกามอยู่ว่างี่ขอพูดมาพักแต่รู้ทันทีเพราะเราทำงานทางสมาธิมาตั้งห้าปีว่าไม่ได้สนใจกับปัญญาเลย เพฉะนั้นสมาธิมันเกะงปั๊บเข้าเลยป๊บเข้าเลยแนวสีเท่า ว, วงก็เข้าได้สมาสมาต่อมาเท่า น, นั้นนาทีต่อนี้นาทีจะลงได้เพรอกำหนดภาพเป็นแนวรันทีเลย่อยพอมันทํางานซึ่งจะขวนเราทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับชาเราเป็นแคบลงถัดตามนั่นก็ไม่เข้าสู่ความสงบเพ่นเพ่นมันผ่านไปยเยอะเตลิดเปิดเพิงไม่ได้หายเงียบนี่มีจำนวนมากในขั้นเริ่มแรกของการปฏิบัติแต่เมื่อได้กล ปวดผัดทรมานไปอ ย, อยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั่นพี่กาวงให้ฟังได้เงั้นคืออยู่ไหนก็อยู่อย่างนั้นดูด้วยความเพียรหลายตั้งหลายหนนานปานานามันก็สงบเข้ามาห น, น้าจนการเป็นความชันนานาเปนน็นความยั่งยพูดถึงเรื่องความสงบแล้วกําหนดเมื่อไหรได้เมื่อ น, นั้นแนะมันคืงทํานานถึงพูดได้เราพูดได้อย่างเต็มป่าแล้วไม่ใช่เราอ้วนเราพูดได้จริงๆเราเรารู้อย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไร เป็นเพียงว่ามันมันไปยุ่งไม่ ไ, มไมปยุ่งเหยิอยงอะไรกับถึงภายนอกมันมต้งหกตัวมันเปในเรื่องว่เลดมันมันนอนหรือมันหมอบมันไม่ได้ออกก้วนมันก้วนนี่เหมือนแต่ก่อนนี่พอผิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยที่เลตที่มันนอนอนั่นมันเอาละถูกข้างันได้เลยผู้เสียขุดค้นขึ้นมาจนทราบสาเหตุของมันว่าเป็นมาจากเรื่องอะไร เพราะนเหนมัผลงันมันก็หลุดไ ป, ไปลอยไปเลื่อยเื่อยเป็นปัญญรละยะจึงได้เห็นคุณค่าของปัญญาว่าอ๋อปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่ประทับจิติเลชได้อย่างนี้เองใจ mm. เ, เล่นกับทางด้านปัญญาดีไม่ดีกลับมาเห็นโพธสมาธิว่า น, นอนตายยังไงมาสี่สี่สเดือนไม่เห็นมีจิตลิชสุดลอยแต่สับตัวเดียวแต่เพรากล้าทางด้านปัญญาเพียงเท่านี้ก็เห็นจิตวิเดชสุดลอยตะเดินดับหม ด, ดแล้วมอไปนั้นจิตนก็พุ่งต่อทางด้านปัญญา ได้เป็นกัเลภูมิเติมๆกันแต่ไม่ใช่กัลลภูมิเติมแบบโลกโลกกัลลภูมิเติมหนูอันดามันเลยเถิดเอาเป็นยับยั้งกันเต็มที่มันจะไม่อยู่มันคนจิตพิจารณาที่ทุกแง่ทุกมุมนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีไปไหนมาไหนเย่นกัสลับแม้แต่การหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับทางหันนี่มันอยู่กับอารมณ์การทำที่นาพิจารณาที่ยังไม่เสร็จสิ้นหมุนตัวจี่จีภายในเพราะว่ามีความเป็นความเพลียทั้งกลางมันกลางคืนท้าวทิเดศมันจะคนไปหน้ายังไงเมื่อจิต มารเป็นธรรมจักรวิกติปัญญาเป็นธรรมรักญญ ร, ร, มรหมุนรอบตัวอยู่เสมอดลาย้อย ไ, ไปเห็นชัดๆว่าพิเรศจีนิจุไปลอยไปหมดไปหมดไปรูปไ ป, ไปดูลำดับลำดับไัไห น, นแล้ววงกว้างก็คแคบเข้ามาแคบเข้ามานาถนุธาขันธ์เห็นชัดตามความเนจริงถ้าขัานถอดถอนงามๆหรือาอะไรมันซึ่งเป็นอาการทำหนึ่งหนึ่งเนะ่นันแต่กมันเป็นอันเดียวกันก็ผิด ถึงว่ามันอันเดียวจิตเป็นความสงบมันเป็นเอกเทศอันหนึ่งอาการเหล่านี้เป็นเอกเทศอันหนึ่งก็ตามความยึดหนึ่งอย่างยึดแต่เนลาแยกแย่ด้วยปัญญาให้รู้ทั่วถึงนมันถอนด้วยถอดถอนออกมาด้วยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในส่วนร่างกายเวทนาปัญญาทั้งขาทั้งยันทุกปัญหาที่เรียกว่านามันทำมันก็สามารถพิ่จะนาถอดถอนได้เมื่อท่านทำลายจิต อาทิสอาที่เดชที่มีพันในสมีแต่กระจายไม่มีที่มาจากไหนม้นเราจะหาที่ไหนที่นี่หาทีพันหาที่ไหนหาความสุขไปหาที่ไหนมันเป็นทุกข์อยู่กับข้อีิเลสเท่านั้นข้อก่เลสหมดไปแล้วจะถามหาเพื่อความสุขก็เหมือนคนไข้เป็นทุกข์มากน้อยกับข้อความไข่เดียวเดียวก็ปริญญาที่เกิดขึ้นกับปวดไข้ได้ปวยนั้นเดียวเมื่อไข้หายไปแล้วแล้ว จนกรถามหาสุขมาได้มันก็เป็นส right ุขเองมันมีอะไรเดือดเดียนทำลายแน่ที่ในอดมันเดือดเดียนจิตใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอนทุกอิยาบดเรายัไม่ทราบมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราหรือเพราะยังไม่ทราบแล้วเราจะเราก็ต้องนอนใจถ้านอนใจให้มันเดียดย่าทำลายอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนต้งกลับต้องกันทีนี้มายืนนะยืนย้ํายืดยาวมันมีต้นสายลายเหยื่อมันมาจากไหนจากไหนความรู้อย่างพวกเราไม่สามารถจะรู้ได้ ระฉะนั้นวัาตามันถึงยาวเพราะพิเลยมันยาวไป ต, ตามิเมื่อแก้ามาได้ติดไปที่ไหนมันก็พาพิเรยรอันนี้แหละพาให้เกิดแต่ปฏิเสธว่าพาแล้วฝุ่นที่ก็หลกว่าไปจากปากั้ก็มันภาวะนี่กับพิเรยป็นภาวะอีกไม่ใช่ความรู้จริงเห็นจริงภาวะารู้จริงจแล้วพิเรยนร้ทั้งหมดใ ถ, า, ถามาอั้นี่น่นั้นก็เป็นทัหมดมันไม่มีพาที่มีสิ่งคอบครว โว้ยเรื่องของพานธะกเรวิเยตลดความไม่มีอะไรเข้ามาเกาะกวนเพราะวิเยตหมดสิ้นิ์นานหลายวิเยตของพระ้รหันต์ทานทานที่ไหนวิเยตทำออกงนแล้วไม่สงสัยว่พมทานสงสัยเพื่อชาตินไม่สงสัยสงสัยมาทํา้อหนึ่งทั้งสงสัยอะไรพูดทาสมอยู่ในทานในจิตใจรวมที่บริสุทธิ์มันดลแล้วเป็นหลักธรรมชาติโดยสงสัย ตั้งใจปฏิบัตินี่เป็นผลที่ถนองทุกปฏิบัติมื่อความเข้มแข็งด้วยสติปัญญาอย่านอนกใจถึงเวลาพิจารณาที่คนไม่คนดคนพิจารณาแต่ต้องดูท่าอยู่ขันท้ายนอกภายในได้ทั้งนั้นเป็นมากได้โดยสนะังคุลยาอยสอนใอ น, นเอยเยี่ยมปัดทาถ้เยี่ยมดูคนตายในปัดทาคนตายในปัดท่ากับเราที่เป็นอยู่นี่ปิดกันอย่างไรที่มาอยู่ปัดท่าเขาคือมาจากคนเป็นเช่นเดียวกันะ น, นือ้อน้มาม า, าตวเอนืน้อน้มอาเรื่องของปัดผั่าเข้ามาสู่ปัจผ้าตัวเรานี่ที่ยังไม่ตายมันเป็นปัดผ้ยฆ่าผีอยู่มีลมหายใจคลองตัวอยู่ทั้งนั้นน้ำหมดลมแล้วมันก็เป็นประเภทเดียวกันเราจะพุ่งเพ้อเสริมไปไหนมีโลกที่เต็มไปด้วยปนนัจจัยในนี้นั้นสมก่อนนั้นหรือที่เราจะพุงเพ้อเสริมพระนงตนแบบค้ า, านพระนงตนนีือเรื่องของยีเรอยเป็นเครื่องสองยีเรียด เรียมีมากเท่าไรนี่ทับหัวเรามากขนาดนั้นเราหาความสุขในจากความพึงเพื่อเห็นไม่จากการเป็นตั ว, ตวไม่มีทางถ้าติดทางพระพุทธเจ้าแล้วเหยียบวักเวียบน้ำทุกข์ทรมานจนแบบตกไม่เกิดขที่เลยเราเป็นปนิสีตสงฆ์ก็ต้องฟังให้ถึงใจรองตามหลักธรรมพระเจ้าให้ถึงใจใกายกรองให้ถึงจิตถึงธรรมงั้นเราจะเห็นความจริงในสิ่ที่เราพิด น, นานซึ่งไม่เหนือไปจากใจไม่ได้เลย อาเพลงก็นนี้นแล้วก็พัฒนรวิญาณที่นขึ้่มเน